ต้นจาจนธุกชนพุตบริษัททั้งหลายและพระโยชคารว์จรท่้งหลายสลหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องเขาไปจากคุูบาล <c oughs> ซึ่งเป็นบุคคลตัวยอย่างในการปฏิบัติสมณธรรมมาแนะนำและเล่าเข้าสู่กันฟังเพื่อเป็นปฏิบัติธาที่ท่านจะได้ยึดถือปฏิบัติ ก็ขอต่อเรื่องเลยทีเดียวเรว่าสำหรับพระมาหาบาลคำว่ามหาบาล น, นึกว่าจากุบาล น, นี่ไปองค์เดียวกันมหาบาลคือเป็นพี่จุลบาลเป็นน้องที่หลังต่อมาในตาขงทั้งเสียทางพระพุทธศาสนาจะให้นามว่าจากุบาลให้กล่าวถึงน้ำใจของท่านมหาบาลผู้เป็นพี่ ว่าในขั้นะที่ท่านไปนลานน้องชายตามพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าน้องชายคัดค้านด้วยท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากน้องชายเตือนว่าพี่ทรัพย์สมบัติของเรามี ท่านจะบำเพ็ญกุศลบนยราสีนั่นทรัพย์สมบัติของเราก็ถมไปไม่จำเป็นที่จะต้องบวชสำหรับท่านพี่ก็ยืนยันว่าการบวชเมื่อภายแก่คือว่าน้องชายบอกว่าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่ก็เมื่อแก่ๆจึงให้บวชพี่ชายก็ยืนยันว่าตามธรรมดาคนแก่มือและเท้ามันไม่ตามใจตน ร่างกายก็ทุดโทรมไปเพ ร, ราะหนาจพัญชราเรียร่ยกแรงก็ไม่มีเส้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการระพฤติกรมจันทร์เดินอันว่าท่านน้องชายเห็นที่ชายไม่ยอมเชื่อฟังก็ร้องไห้แด้ได้ว่าน้ำตายของน้องชายไม่มีความหมายไดทแานคิดว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ดีบุตรัญญายก็ดี เมื่อเวลาที่ตนตายไปแล้วนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะตามไปได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่ไปสู่พัโลกไปสวยผลความสุขหรือสวยผลผลของความทุกข์เป็นอันว่าอารมณ์เบื้องตอนของท่านเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เหยนว่าสารสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เป็นสมบัติของท่านนั้นไม่มีความหมาย ร่างกายไม่มีความหมายที่น้องญาติรู้บุตรปัญญาไม่มีความหมายเป็นอันว่าท่านตัดสินใจแล้วทั้งท่าที่น้องชายกำลังร้องไห้ยอยู่ท่านก็หลีกไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูขอขอุปสมบทบรรพชาแต่การอุปสมบทบรรพชาในตอนนี้ คงจะเป็นหลังจากพระราธบารามมาแล้วเราะว่าในสมัยเมื่อพระราธาพรามบวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกสั่งให้ประสารีบุตรเป็นพระประชารีบบวชพระราธบรามเป็นองคแรกที่เรียกกันว่าติสรณคโนอุปสมมทาขอโทษไม่ใช่ติสรณคโนประสมมทาที่เรียกว่ า, ต า, า, ต า, า ย, ายติจตุทกรรม เว่าการบวชจะมีมาในสามแบบด้วยกันเพื่อในตอนต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ย, ยังไม่ทรงอนุ ญ, ญาตธรรมดาสั่งอุปสมบทท่านที่มีสถานได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงอุปสมบทใ น, นเองเรียกว่าเอหิคืขอขูปัสมัตตา เรื่องใช้วิธีง่ายๆเมื่อคนเขาต้องการจะบวชเท่ากล่าวว่าท่านจงเป็นภิสุมาเถิดเพียงเท่านี้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าสาเร็จการบวชต่อมาเมื่อประกาศพระศาสนามากขึ้นมีบรรดาพระอาหารหันต์มากขึ้นแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนามีชาวบ้านเลื่อมใสกันมากที่เขาอุปสมบทบรรพชา บรรดาพระทั้งหลายก็ต้อพามาเฝ้าพระพุทธเจ้ า, นาในแดนไกลองค์สมเด็จไตรจอมไตรหิ้งความลำบากในขอน้อนี้สมเด็ดเจเร์จินาสียังได้มีพระพุทธดีกาอนุญาตให้วันดาพระสมฆ์ทั้งหลายรับให้การอุปสมบทได้เรียกว่าติสนะคณุพมนุปัสมัติเพ่เข้าถึงไตรสุรณคัคม ที่ทีที่ปฏิบัติก็คือให้นั่งกยอยงคนนมือว่าน้โมสามจบแล้วก็ว่าพุทธทางสันังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้า ม, มังสันนังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสันนังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสําเร็จการบวช ต่อมาเมื่อสมัยราธาพรมมีความเริ่มสายไข่เจีบทองสมเด็จตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ใหญ่ว่าควรจะเป็นกิจของสง์ยังมีพระพุทธบัญชาให้ภาษารียบทเป็นอุปชาบทพระาพพราธพรมเป็นองค์แรกซึ่งมีพระสงค์อยู่นันดับเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับรองมีธรมวาจาจารย์มีอนุสาวรนาจารย์มีพนันดบ แล้วก็โสตยติกรรมสี่วรรคที่เรียกว่าที่เรียกเรียกว่ายาติจตุถกรรมคือยติสีห่หนึ่งหรับในจักรคุบาล น, นี้ก็เชื่อว่าเป็นการบรรยชาในด้านนี้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเมื่อท่านหมดแล้วก็ได้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แล้วประชารหับรรษาห้าราษ า, านี้เขาเรียกว่านิสัยมุตตะ จะมีความมีความรู้พอควรพอที่จะรักษาตัวรอดได้ก็ออกจากสมนักของอาจารย์ได้แต่ถ้าว่าห้าป็นหาแล้วยังมีความรู้เอาตัวรอดไม่ได้ก็ยังไม่ถที่ว่าเป็นนิสัยมุตตกคะคือเป็นพ้นจากการควบคุมอวประชาอาจารย์เป็นอันวาาท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมคนที่อลีกเล่นไปอยู่แต่พูดเดียวได้โตประชาร้านจึงได้หนุนมัติขั้นเมื่อปวารณาเป็นสาแล้วคือเป็นสาที่ห้ามืออกเป็นสาปวารณาแล้ ว, วคําว่าปวารณาก็หมายความอมอบหมายซึ่งอะไรกันว่าท่านทั้งหลายเห็นอยูก่ก็ดีได้ฟังอยูก่ก็ดีได้ยินก็ดี สังคำพันตีบาวาเรมิทิเทนาวาสุเตนาวาไปสังกายาวาวะทันตุมังอายสมันตัวนุกัมปังอุปาทายาทะซึแปลง่ายๆว่าท่านเห็นคนดีได้ยินได้ฟังคนดีลังเกจคนดีขอตักเตือนเข้าไปเจ้าด้วยต่างคนต่างประวรณาตัวให้เพื่อนตักเตือนเมื่อเวลาที่ทําความผิดพระธรรมวินยัย เป็นอันว่ามาออกเป็นศาลแล้วทังก็เข้าไปเป้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าไวาบังคมแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างความจริงท่านทราบแต่ว่าเป็นระเบียบเป็นการมีการเข้าไปหาครูบาอาจารย์ องส์สมเด็จพระวิชิตามารก็ไดยมีพระพุตธฎีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนวิสุทั้งหลายที่ขุดดูก่อนวิสุในศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธาธุระหนึ่งกับวิปัสนาธุระอีกหนึ่งธุระในศาสนานี้มีสองอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ว่ามีธุระรำ ม, มาค้าขายทำรยไรท้ายนาไม่มีธุระมีคันถาธุระและวิปัสนาธุระพระมหาบาลย์ังกราบทูลถามองค์สมเดภภ็จพระพ毗ชิตา ม, มานว่าพันตีพระกวาค่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าพระเจริญพระพุทธเจ้าขา่าคําว่าคันถาธุระเป็นมีอย่างเป็นประการใดพระเจ้าขา่า วิปัสนาธุระเป็นอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิโขโดกรพิสุธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งคนดีสองนิกายก็ดีจบเทะพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกคนดีคำว่านิกายในหมายความหมวดใดหมดหนึ่งคนดีเทสองหมดคนดี หรือว่าจบพระไตรยปีฎกคนดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพระพุทธวจนะนั้ น, น, นชื่อว่าคันธุระหรือว่ากิจการอันใดของสงฆ์ที่เพึงมีอยู่ช่วยกันดูแลสมบัติของสงฆ์แลอช่วยกระทํากิจของสงฆ์อย่างนี้ชื่อว่าคันธุระส่วนการเริ่มตั้งใจ เป็นการเริ่มความตั้งใจสิ้นและความเสี่ยมไวในอัตภาพฟังให้ดีนะเป็นการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสี่ยมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอนาจแห่งการทำติดต่อกัน ถือว่าอาถือเอาพระรหัตของมิสุกูมีความประพฤติดีประพฤติชอบมีความประพฤติคล่องแคลว่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะสงัดชี้ว่าวิปัสนาธุระนี่ความจริงพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติในธุระทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนนี่เป็นมติของผม แต่ก็ทุกๆมาทีที่ท่านนันไลที่ทํากันมาได้ดีแล้วไม่มีใครเขาแยกตนไปเฉพาะวิปัสนาธุระถ้าอยู่ร่วมกันก็จต้องมีทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระถ้าแยกไปเฉพาะวิปัสนาธุระอย่างเดียวปล่อยให้คนอื่นทําคันธุระไปด้วยวิปัสนาธุระไปด้วยก็ชื่อว่าเอาเปรียบพระพุทธศาสนา ถือว่ามีกำลังใจแคบขาดวิิยะด้วยว่าขาดการช่วยกันทะนุบำรุงพระศาสนาอย่างนี้บรรลุมรผลช้าเพราะว่าการเก็บตัวสงัดมียรงเครียดไม่มีผลเป็นอันว่าแทนที่จะได้บรรลุมรผลการเก็บตัวสงัดอยู่ในที่โดยเฉพาะ สมถาอา จ, จันดีวิปัสนาอา จ, จันดีแต่ว่าพอมากระทบเสียงเข้าหน่อยเพียงเท่านั้นก็จะปรากฏว่าความดีคืออ า, ารมณ์สงัดของจิตจะสลายตัวไปนี่ผมโดนมาแล้วกับตัวเองอยู่ในป่าช้าแบบสบายสบายอยู่ในป่าสบายเก่งมากจะเข้าจะออกสมาธิหรือว่าฌานสมาบัติเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์ แต่พอเข้ากลุ่มคนเข้าดีเสียงคนเขาต่ น, นั้นแหละมันเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าไปทางไหน่าทางไหนเป็นอันว่าถ้าเราจะปฏิบัติดีได้ก็ต้องหนึ่งคัน ธ, ธุระทำด้วยมีปัสนาธุระทำด้วยสมบัติใด เ, เป็นสม บ, บัติของศา ส, สนาต้องตั้งใจช่วยกันรักษา เว้นจากมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงจิตที่ไม่ไม่สมควรอันนี้จิตใจจริงเข้าถึงในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ท่นนี้เรามากล่าวกันท้าพระมหาบาลพระมหาบาลยังกล่าวทูลพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารว่าพันตรีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าพระองค์บวชแล้วต่อเมื่อภายแก่หมายความบวชไม่ตติกําลังแก่ๆอยู่แบบนี้ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธทุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่จจกบำเพ็ญนิปัสนาทุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขอพระองค์ได้โปรดต่อมหากรุณามีพระมหาคุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าโปรดสอนนิปัสนาทุระแก่ข้าพระพุทเธเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าข้า เมื่อกราบพูนองค์สมเด็จพระสัมมาดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สัตบกให้กรรมฐานแก่พระมหาบาลดังนี้เอสสสนดาทรุนจัดบอกให้กรรมฐานว่าเธอจงปฏิบัติตนในฐานะผู้ไม่ประมาท จ, จึงกระทั่งถึงอรหัตผลแก่ราพระมหาบาล หมายความว่าองค์สมเด็จพระพชิตธรมานสอนแบบย่อๆให้หนึ่งให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันร่างกายเป็นอนัตตาขอเธอจงวางภาระในร่างกายเสีย เห็นร่างกายเราก็ดีเห็นร่างกายบกคคเอื่นก็ดีทำความรู้สึกแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นยาวจิตไปผูกพันในร่างกายของเราและร่างกายของบอคองุคคลอื่นและจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่เป็นอนนว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบย่อๆเพียงเท่านี้ <c oughs> หลังจากนั้นเธอกลับถวายบูงคมลาองค์สมเด็จปจินณสีเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติในป่าได้จึงได้แสวงหาบรรดาเพื่อนที่สุที่จะไปได้วยกันได้ประมาณหกสิบรูปจึงได้ออกเดินทางพร้อมกันกับเธอทั้งหลายเหล่านั้นระยะการเดินทางเข้าป่าไปไกลประมาณประมาณร้อยยี่สิบโยต ถึงบ้านชายแดนหมายความอยู่ในป่าลึกเข้าไปไกลคนไกลคนหมู่ใหญ่แต่ว่าใกล้คนหมู่เล็กเข้าไปถึงบ้านปลายแดนตาบลหนึ่งยิงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพระะ้อมไปบริหารเข้าไปปฏิบัติในบ้านบรรดาไปชายชนนั้นหลายในบ้านนั้นเห็นมิสูานหลายคณะนี้เข้า เมื่อเกิดศรัทธาภาาธะด้วยจริยาวัดของท่านน่ารักน่าเริมใสน่าไหวน่าบูชามีจิตปรารถนาะใครจะบำเพ็ญกุศลกับพราชนะนี้ยังได้แต่งอาสนะและมิมนให้น่งเมื่อถาวายพระตาหารอันประนีเท่าที่จะพิงทำได้มีข้าถามว่ากระคุณเจ้าข้า เพื่อผู้เป็นเจ้าจะไปไหนบรรดาพิสุทสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นหัวหน้าจะได้กล่าวตอบว่าพระอุบาสกโรบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ตามที่มีความผาสุกก็ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ีบุคคลผู้มีความรู้ที่เรียกว่าบัณฑิต มีความรู้รู้สึกอยู่ว่าท่านผู้เจริญท่านหลายเหล่านี้จะสแสวงหาที่จะบรรญญายังได้กล่าวรันาว่าท่านผู้เจริญภ่าพริคุณเจา้าทั้งหลายไม่รังเกียจขอได้โปรดอยู่ณนะที่นี้ตลอดปรรสาไตรามาสเถอพกเพือพ่ อ, อ, อนเคารพคณะข้าพเจ้ า, จาทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในศรณะนะ แล้วถือศีลคาว่าสมณธนะประวัติพึ่งคือถือศาณนาคมสามประการคือตั้งอยู่เคารพในคุณความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ที่เราบอกว่าพุทธังธรรมังสังขังสรนงันงขะฉามิแล้วก็อย่าพากันถือศีลให้บริสุทธิ์ เม่บรรดาพิสุทธิ์ท่านหลายเรานั้นก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเราได้าอาศัยในกุลเหล่านี้จะทำการออกจากภพนี้ได้มีกำลังใจของท่านทั้งหมดแต่ทาไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอย่างอื่นที่ไปนั่นต้องการอย่างเดียวคือจะต้องการหนีจากภพแห่งการเกิดหรือหวังพระนิพพานต้องการอราตหัน เมื่อเหเขานิมนต์ก็ดีใจได้รับนิมนต์มันดาบิชาชนนั่งหลายเห่านั้นรับปฏิญาของท่านนั่นหลายแล้วก็ได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารคำว่าวิหารนี่ไม่ใช่วิหารอย่างที่เราสร้างกันเป็นตึกเป็นตึกมันเป็นที่อยู่เฉพาะช่วคราวกมรรดาวิสุทธินั่หลายที่ไปเจริญสมณธรรมซึ่งมีพระอื่นก่นกอ น, อนไปอยู่ก่อนแล้วเวลานี้ขาดพระ เขาดีใจจะไ่ทาที่นั่นให้สะอาดจัดที่อยู่ในกลางคืนไว้จุดหนึ่งแล้วจัดที่อยู่ในกลางวันไว้จุดหนึ่งแล้วก็มอบถวายบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นมีท่านมหาบาลเป็นคนหน้าเข้าไปเป็ น, นบัตในบ้านตาบล น, นั้นเป็นปนระจําคือมันก็มีที่ไม่มีที่ไหน มันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่เดียวเท่านั้นก็ไปอาศัยหมู่บ้านนั้นทรงชีวิตเป็นประจำและในหมู่บ้านนั้นก็มีหมออยู่คนหนึ่งเข้าไปหาบรรดาพระบิณฑทาตของท่านหลายและประวัติาว่าข้าแต่ท่านพูดจริญทรร a n d ในที่ที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกอยู่บ้างคือคารป่วยไข้ไม่สบาย เ ม, ม, มื่อความไม่พันไม่พลาสุขคือความป่วยไข้ไม่ส บ, บายเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายเพิ่งบอกกับข้าวิเจ้าก็ข้าวิจเจ้าเป็นเทจะทําเทสัจจะไหวถวายแล้วจัดยามาถวายนี่ต่อไปแล้วก็มาว่าถึงความเปลี่ยนของท่านมหาบาลให้กล่าวว่าในวันจํนารพรรษาพระเทระเริ่มเรียกที่สุดทั้งหลายเราได้ขึนน้นมาพร้อมกัน คือคณะที่ไปนะ่ะท่านเป็นอาวุโสที่สุดแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านท่านหลายจากให้ไตรามาสนี้น้อมไปด้วยอิธิยาบทอะไรฟังให้ดีนะบรรดาบิสุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนตอบท่านว่าอยากให้น้อมไปด้วยอิธิยาบทสี่ เอือนนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้า ง, อ ง, างนอนบ้างเพื่อการเจริญเป็นกรรมฐานพระอทําลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตบาหานองค์สมเด็จพระวิจิตรมานทรงตรัสว่าย่อมสาเร็จได้โดยอิเนียบททั้งสี่ท่านลเทธิระจึงกล่าวกับบรรดาวิสุทธิทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้เมยุทั้งหลาย ก็ข้อนั้นสมควรหร่นพวกเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่เือเพราะว่าผู้เราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพายเจ้าผู้ยังทรงพิชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ ับนี้ฟังยากในเป็นศัพท์ไทยคำของพาะาบาลี <c oughs> เป็นกล่าวว่าคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้เขาแสดงว่าการทำอะไรนั้นจะอวดอย่าทะนงตนอย่าคิดว่าตนดีคนที่จะดีจริงๆต้องจำบาลีไว้ว่าอัตนาโจทยาตานางัง ถ้าพูดตรงนี้ท่านหลายก็คงจําได้ผมพูดทั้งปีปีหลายสิบครั้งว่าจงเตือนได้ตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดความชั่วของตนเองเป็นสําคัญถ้ามองแต่ความดีความชั่วมันก็จะเลยหัวไปถ้าเล่านั่งมองความชั่วไว้เป็นปกติไว้นั่นก็ชั่ว น, นี่ก็เลว่ได้พยายามแก้ไขความชั่วความเลวให้สิ้นไป เมื่อความชั่วความเลวไม่เกาะจิตไม่เกาะใจท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ว่าันท่านต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมีอัิยะไสางามจำพวกเดียวจะเพ่งทรงยินดีเพ่งให้ทรงยินดีได้นี่หมายความว่า พราะพุทธเจ้านะไม่ยินดีสำหรับคนที่มีความโอ้อดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายินดีเฉพาะบุคคลที่มีนิสัยงามไม่โอโ้อดโโไม่เสียดสีไม่ยกตนข่มท่านไม่ท่านงงตนเห็นตนว่าเลวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ <c oughs> ต่อไปรื่กล่าวว่าก็ขึ้นชือ่อว่าอิริยาบทสี เป็นเหมือนเหรียญคนตัวเองแห่งคนผู้มีความประมาทแล้วขอท่านนั้นหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดท่านผู้มีอายุทางหลายลำดับนั้นบรรดาบิสุนันหลายก็ถามว่าแล้วก็พระคุณเจ้าจะอยู่ในอิทิยาบทไหนครับท่ามหาเถรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทางหลายก็ผม จะให้ไตรามาสนี้น้อมร่วงไปด้วยอธิยาบททั้งสามคือนั่งนอนยืนเอาขอโทษยืนเดินนั่งไม่มีการนอนที่เราเรียกกว่าเอสัชิมันดาวิสุท์กันหลายเ้วนั้นก็พากันให้สาธุการว่าดีแล้วพระจสดาบดีมากล้ลยดีน้อย ก็เป็นอันว่าต้องจบดีแค่แคนี้เพราะมองโดูเวลามันก็หมดเส็จแล้ววันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่เพรว่าโอกาสหน้าฟังต่อกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบันดาท่านทั้งหลายผู้สนับแล้วจงจำปฏิบทัทางขอบันดาพระภิณฑษ์สรง ท, ทั้งหลายประมาณหกสิบสิบลูกนี้ไว้ แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามตามสมควรกับความสา ม, มารถของท่านสำหรับเรื่องพระเจ้าคุบาลวันนี้ก็ขอยุติว้ตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี